เราฟังทมต่อเช้าพ่อบอกพูดน้อยไปนิดหนึ่งพูดต่อความรู้สึกตัวรู้อาการปฏิบัติธรรมแนวเคลื่อนไหวมื่อชัดเจนในเรื่องการกระทบสัมผัสรู้สึกตัวเราก็จะเริ่มเห็นจิตที่มัน เป็นปกติทิ่เดิมแท้เนี่ยเป็นปกติของมันอยู่มันก็ตรงกับใจกับใจถว่างจากความหมายความเป็นตัวตนใจเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่ามโนมโนโปปังก็มาทำมามโนเศรษฐามโนมายาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า สัญคว่าจิตเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาจิตตังจิตเตอจิตมันจะมีพฤติกรรมเรบใช้วาไว้ถ้าอยู่ในแดนของโลกุตร ะ, ะแดนที่ทำให้ไม่ทุกข์นะแดนแดนโลกุตระธรรมมันก็จะรู้ทันที่การกระทบสัมผัสสามารรู้ การทดสอบสัมผัสได้เพราะการฝึกแนวเคลื่อนไหวรู้ที่วิญญาณกายเรียกว่ากายยวิญญาณก่อนจับตัววิญญาณกายความรู้สึกที่กายกายนอกกายในนะ่ะมาเป็นตัวปัญญาเบื้องต้นซะก่อนเหมือนการเรียนมัธยมปถมปเนี่ยเยอะๆไป็นเรื่องมัธยมมารู้เรื่องปถมก่อนเรื่องของจิตอย่างเงี้เป็นเรื่องที่ละเอียดะจะรู้นามาทำความคิดนะี่ยละเอียด ก็มารู้แล้วหนาของวิญญาณก่อนกายยวิญญาณพอาการกระทบสัมผัสรู้สึกแล้วไม่ปรงุงแล้วสติปัฏฐานมาเริ่มจะทำงานโดยกลไกของธรรมชาติหน้าที่ของก็คือรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วไม่ต่อพอรู้แล้วเป็นฉนวนทันทีฉนวน แต่ถ้ามันตอนจะเป็นจำนวนเป็นเหตุทําให้เกิดความหลงเกินมาแล้วก็หลงยาวจนภาษาธรรมะก็เรียกว่าปฏิจจสมบัติเป็นภาษาที่บางทีก็ถ้าไม่ปฏิบัติเงฟังยากจําก็จำไม่ได้แต่พอเราปฏิบัติเราเห็นร่องรอยอย่างนั้นพอเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็มีแต่ความรู้สึกตัวตัวกายอันดับแรกก่อน ตัวจิตนะหรืตัวอื่นๆที่มันสร้างตัวสร้าง ต, ตนกันเออตัวสังขารจิตที่มันปรุงแต่งเราเปลี่ยนเป็นวิสังขารทุกครัง้งที่กลับมาหากายยวิญญาณตรงนี้ผู้ใหม่ควรจะทำให้มันจำนานแล้วก็ไม่มองข้ามแล้ว่าดูถูก่าเป็นกรรมฐานแบบเด็กๆหรือเป็นกรรมฐานแบบ เป็นมวยวัด น, นะอย่างนี้จะต้องดูจิตจะต้องเห็นธรรมถ้ามันเห็นธรรมมันก็ไม่เข้าใจเรื่องของกายต่หากว่าคิดเอานะเปิดการของกายเกิดขึ้นมามันเป็นเพียงแค่ความเข้าใจแต่ยังไม่ได้สัมผัสตัวจิตเองตัวธรรมชาติต่างๆหรือว่าตัวเวทนาสุขทุกข์เนี่ยมันเป็นนามธรรมที่เห็นยากมาก ต่ว่าตัวกายของเราเนี่ยเราสามารถสัมผัสแล้วก็เห็นได้ง่ายสติเน้น้อยเห็นของห ย, ยาบหยาบแต่พอก็พัฒนาไปว่องไวมากขึ้นแล้วอาการเนี้ยก็จะมีกลไกของเขาทาหน้าที่ด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆเมื่อ ก, ก่อนกระทบแล้วเคยผู้ปล่อยไปอย่างเงี้ยตอนนี้มันรู้สึกเฉยๆไกลมีอะไรก็ตกออกตกใจสะดุ้งบาดผวาเสียสันหลัง รู้สึกว่าเหมือนวัวจนหลังว่าอะไรวนะเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้มันอะไรที่เป็นอดีตไปแล้วมันก็แล้วไปเลยล่ะคนละพบคนชาติไปเลยปัจจุบันนี้มันก็มีแต่ตัวปกติตัวรู้สึกที่ฐานกายตรงนี้แหละมันเป็นงานหลักจริงๆมันไปทํางานทุกวันเป็นงานหลักจริงๆงานรองงานอาเอะกรๆที่ทําแล้วก็เกิดคุณเกิดค่าเหมือนกัน อันเราก็ทําแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจไปเต็มเน็ตเต็มหน่วยงานสอนนัการต่างๆเนี่ยต่อเมื่อเรามั่นคงแล้วมาถึงเกาสติปัฏฐานมันแก่กล้าการที่เขามีสภาวะของผู้ดูเราก็จะเห็นสภาวะของกายเป็นรูปธรรมเหตุนาการของกายในกายตัวนี้ตัวนั้นเราจะได้คําตอบเบื้องต้นเลยเราเราจะหายสงสัยเรื่องกรรมฐา น, นเบื้องต้นเลย ตัวรู้เป็นยังไงตัวกายเป็นยังไงกายในกายเป็นยังไงการมีสติดูกายเห็นกายหรือว่ารู้เท่ารู้ทันมันเป็นยังไงมันเคลื่อนไหวเทอะไรกระทบสัมผัสเท่าไหร่มันจะรู้เท่าเป็นขณะต่อขณะแล้วก็เป็นปัจจุบนันขณะแล้วก็รู้แบบสบายๆผ่อนคลายสะดวกการเคลื่อนเคลื่อนได้เรื่อยๆมันจะไม่เหมันก็ว่านะ ตังในการว่าจุดทูบไว้หรือว่าจุดเตียงนะไว้เทียนดับแล้วก็พอจุดทูบแล้วก็พอหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็พอสองชั่วโมงก็พอมันจะไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นมันจะทําไปเรื่อยๆเดินแบบผ่อนคลายเดินแบบเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดายกมือสร้างยังไงก็เหมือนกันแต่ว่านั่งยกมือนี่จะนั่งได้ไม่ทนเท่ากาับเดินจงกลมการเดินยงกลมนี่จะมีอันที่สองมันชัดเจนเลยเดินทางไกลนะ จะเดินได้ทนมากทาความเพียนก็ทนมากอาหารก็ย่อยง่ายเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นมาจากการเดินโยนกลมมันจะไม่ตกปไปในฝ่ายที่เสื่อมเลยเสื่อมยากที่สุดเวลาเดินโยนกลมแล้วเกิดสมาธิขึ้นมากับรูปแบบอื่นๆวิธีการอื่นๆการนั่งสร้างเฉวามันก็เป็นลนักษณะของการเคลื่อนไหวใจเปรียบเทียบแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันหลวงเท้ากับมืออย่างนั้น พอหลังจากที่เรานะพัฒนาสติจนกระทั่งสติมันเกิดความว่องไวนมีพละงกาลังเป็นไบพิปฏิพาณนอันนี้แหละมันจะพัฒนาไปเห็นทวารต่างๆ ต, ตา ก, ก็คือรูปห ก, ก็คือรูปเหมือนกันเลยลิ้นก็คือรูปนจมูกก็คือรูปเวลากระทบสัมผัสเนี่ยมันกเป็นรูปเป็นนามทั้งหมดคราวนี้ละมันพัฒนามันลามไป มันกลายเป็นวงจรที่เวลาเราใช้กายใช้ตาใช้หูใช้หูใช้ลิ้นอันเนี้ยมันจะไม่มีความคิดลงไปปรุงมันจะเป็นสัมผัสบริสุทธิ์นอันนี้เวลามันเกิดความคิดขึ้นมาก็ถูกรู้เท่ารู้ทันแล้วตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยพอเราเห็นเราจะรู้สึกว่าโอ้เราอยู่ภายใต้หน้าเป็นทาตความคิดเนี่ยก็มีอิทธิพลอารมณ์เนี่ยยิ่งใหญ่มาก เราเสร็จแล้วเราก็ตกอยู่ภายใต้กดแห่งกรรมทัน ท, นทีเป็นวิบากไปในที่สูงต่างๆมากมายเดี๋ยวก็รอดเดี๋ยวร้องไห้เรื่องผ่านไปแล้วยังเก็บมาคิดลวงเอาซากความสุขเก่าๆมาเจบทั้งนั้นมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วมันเป็นของที่ไม่ใช่ประโยช น, น์กันนะแต่เราก็มักจะลืมหลงแล้วก็ไหลหไปอย่างเช่นคนแก่ถ้าไม่ได้ฝึกสติ มันจะไหลไปในอดีตไหลเก่งความสามารถความภาคภูมิใจเก่าๆมันจ ะ, จะแสดงปรากฏออกมาเพื่อให้มีความสำคัญเพื่อให้เป็นที่ยอมรับไพลูกหลานร่มหน้าร่มหลังมากมายเราก็ได้เห็นในบางประเทศทเธอคนแก่นะก็ต้องการนักกิตวิยามาพูดคุยรับฟัง ไม่ต้องพูดอะไรก็บเงแค่นั่งรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจก็สบายใจแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายสบายดียแเราหมดหน้าที่จนเป็นอาชีพเลยบางทีอาชีพรับฟังจะมองละกี่บาทกี่บาทก็กําหนดแล้ว้กี่เยนกี่เดินตามบ้านบันพักคนจะลาก็เขาจะมีจิตอาสาหรือว่าอาชีพลักษาหนี้อยู่ทั่วๆไปคนหนุ่มคนสาวก็จะคิดไปในอนาคตนะ ละของประสบการณ์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็สัญชาตญาณที่เราเรียกร้องความราคะเนี่ยนะหรือว่าปฏิฆะนะปฏิฆะจะเป็นความโกรธนะโทสะเนี่ยตัวราคะจะพัฒนาเป็นความรุ่งเนี้ยคราวนี้มันก็จะคิดนั่นแหละถึงอนาคตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเมื่อทุกข์ก่อนทุกข์บางทีก็คิดจนเครียดจนเป็น โรคซึมเศร้าซึ่งมีทั่วไปประเทศไทยก็อันดับหนึ่งนันอยู่ที่จังหวัดลําพูนสถิติเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมา3ามปีก็ยังเป็นลําพูนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปจังหวัที่สองที่เป็นโรคเศร้าซึมเบื่อเสงค่าตัวตายมาจังหวัดระยองเคยวัดเทียนมาเกิดนั่นแหละฆ่าตัวตายกันมากขณะของคนที่อยู่ๆยกหนึ่งชดช่วงชาชวานขึ้นมา ยกที่ที่ดินมันโบงขึ้นมาใครเป็นสตีใหม่กันเยอะแล้วหลายคนก็ใช้เงินไม่เป็นหลายคนก็ปรับตัวไม่ทันกับลักษณะของเทคโนโลยีซึ่งเป็นสมัยใหม่มากขึ้นสาธารณภพอุปภคต่างๆมันปรับตัวใช้ของก็ไม่เป็นข้ามถนนรถชนตายกันเยอะคนเก่าคนแก่ตายสุดลูกหลานหลายคนก็งงตัวเองนะ ทำสวนก็ไม่ได้ทำโรงงานก็่นควันเข้ามาหลายคนก็มีปัญหาท้ายสุดเรียกร้องก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายกันเยอะมากเลยโดยพฉพาะคนต่างจังหวัดไปอยู่เศรษฐกิจมันสูงมันแพงเจ้าพ่อก็มากมาเฟียก็เยอะสารพัดมันอยู่ก็ต้องหรือ ว, ว่ามีจิตใจที่มันหนักแน่นพอสมควรทีเดียวอีกหลายจังหวัดหรือว่าบางประเทศเนะนะ อย่างอินเดียที่ชาวันนั่งไลฟ์ฟังทางเปรตปากีสถานอินเดียแถบนี้ผู้หญิงจะต้องเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียวะเสร็จ แ, แล้วก็เมื่อถูกเลี้ยงดูอย่างดีท้ายสุดก็คืออยู่ก็เหงาอยู่ว่าเบืออ่อยู่ช่วยตัวเองไม่ได้เศร้าท้ายสุดก็บางทีกระโดดเข้ากองไฟไปด้วยกระส า, ม, ามีเยอะมากดูรประเทศเกาหลีนะครับตัวตายกันเยอะมันเป็นอะไรกันอย่างนี ก็เห็นไดว่าเรามีวัตถุนึงสองสามหรือว่าบุคคลหนึ่งสองสามรอมหน้ารอมหลังวัตถุนิยมบริรพวนิยมทตท้ายสุดมันก็ไม่ใช่ทางเดินของชีวิตจุดหมายแพายทางชีวิตคือต้องมาเจริญสติฝึกสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวกันะฉะนั้นชุมชนเรากลุ่มเราถือว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาระสมควรมีบริการเก่าการก่อนมา มีกลัลยาณมิตรที่ดีมีสือ่อที่ดีบางทีก็รู้มาจากทางอินเทอร์เน็ตนทางเว็บไซต์ต่างๆบางทีก็รู้จากคนที่เคยมาวัดป่าสุโัสโตก็ไปเป่าประกาศบอกว่าเออมันดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ลูกหลานเหลียญหลวงพาพ่อพาแม่มาปู่ย่าตาทวดอะไรก็ตามหรือว่าพ่อแม่พาลูกพาหลานมาเห็นว่าปฏิบัติแล้วมันดีขึ้นไหม มีความสุขขึ้นมาหรือว่ามันเกิดฉลาดขึ้นมาเห็นโลกตามความเป็นจริงขึ้นมาเกี่ยวข้องถูกต้องขึ้นมามันก็เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็หมายถึงถ้าปฏิบัติถูกนะปฏิบัติถูกนยังไงก็มีความสุขนแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะมันร้อนทีเดียวกรรมาฐานเนหะมือนเอาของร้อนมาใสยตัวเหมือนกับคนที่ลักขโมยเนอะาของร้อนมาน ขอมันก็จะร้อนแล้วก็เนี่ยเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งเรามาเคยโดนงัดกุตินตะปูสี่ก็ามาอยู่ตะปูสี่นะคนคนนั้นมันปลอมตัวเป็นพระมันเอาเหล็กฉลังใหญ่มากนะเอาใส่ไว้ในชีวอแล้วมันก็จะไปงัดกุดก่ออาจารย์วรลเทพนต่มีคอมพิวเตอร์อยู่กุดลูกคนหนูครั้นี้ก็ไปเจอพระอยู่ตรงนั้นก็ไม่กล้าไม่ไปสักที ก็คืออาจารย์ตุ้มท่านอยู่อาจารย์วัเทพ ส, สมัยก่อนตัเก็เก็บเพราะมาเมล็ดพันธุ์เม็ดไม้ป้นเปี่ยนป้วนเปลี่ยนจะโจนเห็นท่าไม่ดีก็หลบเข้ามาที่กุฏิเอาทำไมเสร็จแล้วก็งัดนะเกิดะเกิดแล้วนะามางัดกุนนไไดโนนมาแดงงัดกุดนี้เอาะแะลรงงัดไปเอาไอเทปนะซดีอพสามวกนี้ของคุณนิดนะที่ฝากาไว้ในข้างกันนั้นนะ เวลาอยู่ที่บ้านเา้เาก็กลัวโดนงัดเขามาฝากกับไอ้เรารโดนงัดเกีเ้ยงเลยโทรศัพท์มือถือของเราไอ้รุ่นเก่าๆที่ใส่ไว้ที่ไม่ได้ใช้หรือว่ารองเทา้าคุลพันธ์ฝาโดโยมซื้อมาถวายไม่กล้าใส่เป็นรองเท้าหนังอย่างดีเป็นเท้าลัดข้อหรือว่าพวกนิตติลีนพวกอายาสระผมยาสีฟันต่างๆอะไรเอาไปได้ก็เอาไปละ เสร็จแล้วว่าถูกจับได้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ชื่อการนกะ็มาล้องกันจับกันส่งตำรวจแล้วนกะ็มวยปืนก็มยมอไสค์ขอชาวบ้านไปด้วยตอนไปเยี่ยมเขาก็บอกว่าอาจารย์ผมไม่อยากเอาอาจารย์เลยครับวันนั้นอาจมาก็เอาถั่วต้มไปฝากเอามันต้มไปฝากก็เห็นว่าทุกคนมันก็ลึกๆอยากเป็นคนดีปรนะยุกต์เนาะ บางทีมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วูวุ่มเป็นหน้าของพอเอาไปแล้วก็เสียดายเสียใจไม่น่าทําเลยไม่น่าทําเลยเ้าก็บอกว่าอยากเอาของมาเคืรนอาจารย์เพราะว่าของเอาไปมันร้อนจริงๆเอ า, าก็เห็นว่าเออคนที่เอาของไปแล้วก็ร้อนใจเนี่ยยังเป็นคนดีอยู่ไม่เหมือนกับเอาไปแล้วก็เฉยเจ้าอันนี้ก็แสดงว่านะ อีกนานนะักกว่าจะเปลี่ยนได้ในครั้งนั้นก็เลยได้เห็นวนะ่าโอ้ลักษณะของคนที่เอาของร้อนไปก็เป็นอย่างนี้นั่นเอ ง, เองไม่ถูกต้องแต่ที่สุดก็คือตัวเองก็ต้องชอดใช้กรรมต่อไปอันนี้ก็คือลักษณะของวิบากเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้เห็นว่ามีการชําระล้างอากาศเหล่าเนี้มาเคยคิดดีพูดดีทดําดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีมันประทับอยู่ เราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกไม่ใช่ว่าดีรู่วมไม่ดีมันเป็นลักษณะการล้า ง, งยังเดยเป็นลักษณะของจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เรากระทบสัมผัสรู้สึกเนมันเป็นชีวิตเนะี่ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นพ่อแม่สอนแม่มียอมบอกอาจารย์ยังไปกันใหญ่อาสอนวิชาแบบโลกโลกตามาหาอะไรเราก็เรียนมาก็ไม่เห็นมีใครสอนเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัววัดวายอารมต่างๆ ส่วนใหญ่ว่ามีมากมายเหลือเกินแต่ว่าคำว่าสติหรือว่าความรู้สึกตัวเนี่ยที่พูดชัดในยุคนั้นน่ที่เคยได้ยินมาสามสิปีแล้วก็คือหลวงปู่เทียนสามสิปีแล้วนะที่สนใจเรื่องของการฝึกสติมาเจริญวิปัสสนาแนวเคลื่อนไหวและวิธีการอื่นๆแต่เห็นว่าความเป็นจริงที่มันปรากฏทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นใจ เวลายอยู่กับตัวเองมันมีจิตใจที่มั่นคงจะทําอะไรมันก็ทําแต่เห็นว่าดีมัน ท, ำทํำจนสําเร็จอะนะมันไม่ใช่ว่าคก ล, ล, ลางๆแล้วสําเร็จเราแค้วางไม้วางมือวางหน้าวางตาวางงานเมืนะ่องานมีความสําเร็จส่ว น, Syria, นจะสาเร็จกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้สนใจความใช้การได้ไว้ก่อนแล้วก็สร้างประโยชน์เขียนว่าเออจิตยัลงลักษณะนี้มันเกิดขึ้นนะมาประกอบอาชีพการงานมันก็มีความสําเร็จน การนี้ลักษณะของการที่จะไปต่อมาเร า, ารู้ธรรมมาเร า, ารู้รูปธรรมนามธรรมแล้วนีลักษณะของการทำการกระทําที่มันเกิดจากทอทหารจะลำธรรมเห็นธรรมเมื่อกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วก็ทำทั้งภายนอกและภายในอันนี้มันก็คือลักษณะของการทําหน้าที่นั่นเองแล้วก็ เป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติไปแล้วก็เป็นธรรมชาติเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมเหมือนกันการเคลื่อนไหวไมีอยู่ตลอดเวลาเลยเช่นนะการตื่นมาแปลงสีฟั น, นหยิบมันก็รู้สึกได้การสีฟันมันก็รู้สึกได้แต่ว่าใหม่ๆไม่เข้าใจนะการหันซ้ายแลวขวาเช็ดหน้าเช็ดตัวมันก็รู้สึกตัวได้เออมันก็แปลกนะนเวลามันเข้าใจขึ้นมาเน่ยมันลามไปพปลุกเปล่กรรมฐานทุกๆ กิจกรรมที่เราได้ใส่ใจลงไปรู้สึกตัวลงไปบางทีจะเกิดความเป็นเองเลยมันรู้ของมันเองเลยบางทีเวลานอนก่อนนอนมันก็วางไม้วางมือวางหน้าวางตาเราบางทีเราก็จดจํามาการนอนจะนอนท่าไหนดีถ้านอนหงายเลยตูมบางทีมันก็ไกลว่านอนแบบเปรดอย่างเงี้ยอันนี้ภาษาเขาพูดเป็นริงนะการนอนหงายเลยนะเป็นการนอนแบบเปรด รอรับส่วนบุญอย่างงี้นะอีกอันก็คือนอนตะแคงซ้ายอันนี้เรียกว่านอนแบบราชาสีราชาสีต้องนอนตะแคงซ้ายเวลามีสติอยากนอนแบบราชาสีต้องนอนตะแคงซ้ายถ้าอยากจะนอนแบบพุทธเจ้า่านอนแบบสีหาสายย่ายากตะแคงขวานอนแบบไม่ติดที่นอนนอนแบบคนมีปัญญายเราก็สติะระลึกรู้ การวางไม้วางมือวางกายจาอยู่บทไหนหลับอเงี้ยหลับแล้วจะตื่นไวอย่างเงี้ยไอถ้าที่นอนแล้วก็ตื่นยากอีกถ้าอือนอนกอนหมอนข้างนอนกว้าาบางคนนี้ไปบัตรตัวหมอนข้างมาด้วยเลยตัวหมอนส่วนตัวส่วนตัวถึงจะนอนหลับเนอนของวัดหมอนกองวัดนี่นอนไม่ได้เลยบางทีนะบางที่นอนที่มีอยู่ในนั้นนะในศาลาไต่ลักเนะี่ย เอามาเคยเอามาจากศพก็มีนะจากศพที่เวลาเผาแล้วก็เห็นว่ามันยังสะอาดอยู่หรลูงทีมก็มีเหมือนกันนอนไตเงี้ยเอานอนออกก็เอามาเก็บเก็บเอาไว้ก็มีเหมือนกันสมัยก่อนเวลาหนาวหนาเงี้ยใครอยากใช้ก็ได้เขาบอกให้ไปเอาตอนนอนคืนแรกอะว่าไม่ได้บอกอนะแต่ว่านอนคืนที่สองก็จะบอกอยู่ที่นอนอนะมันมาจากศพคนตายคืนที่สองไม่มีใครไปนอนท้กคนโยน มัรู้แล้วอะของศพเนี่แต่ตอนนี้ไม่มีนะยุคนี้ไม่มีแนละ้วย่างเดียวจะไปสะดุ้งไอ้พระหอมนี่ห่อศพมาเปล่าไม่มีใ น, นส่วนใหญ่ก็ยมบริจาคอย่างดีเลยซักทุกครั้งอย่างเดนะอเลเพราะฉะนั้นบางทีอิบอดนั่งเดินยืนนอนการจะรับประทานอาหารต่างๆนั้นนะมันจะเป็นการต่อเนื่องเชื่อมโยงไปตลอดเรื่อเวลาเราก็เห็นแล้วเออกรรมฐานนี่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาจริงๆ ออกไปนอกตัวจะทําอะไรก็ตามมันก็เป็นการพัฒนาทําทั้งวันแต่ไม่ได้ทําอะไรทำเป็นอย่างนั้นทําไปวางไปทําแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากทําแล้วก็แล้วไปตรงนีน้มันไม่เหมือนกับตอนที่เราไม่เคยฝึกสติมันเหมือนกับเราไม่ได้ทําอะไรแค่นอนก็เหนื่อยละแค่นอนแล้วคิดว่าจะทําอะไรก็เหนื่อยละบางทีแค่คิดว่าจะทําดีถ้นานังก็หาวแล้วก็พอไปทําเริ่มต้นทําก็ ยงยงอยากๆคิดจะปลูกต้นไม้แค่เห็นดินเห็นต้นไม้เห็นกระถางเห็นสายยางก็เหนื่อยแล้วแต่พอเราฝึกสติมันทำอะไรมันก็ทําไปอย่างนั้นทําไปเรื่อยๆทำเจร็จแล้วก็แล้วกันเมันมีเรื่องทําอยู่ตลอดเวล า, า, าเพราะฉะนั้นการที่เรารู้แล้วก็ทำํำจนเป็นธรรมชาติอันนี้จะไปตรงกับที่หลวงพ่อเทียนพูดไว้ เราจะรู้ว่าเวลาเราเคลื่อนไม้เคลื่อนมือรู้สึกตัวมันเป็นรูปนามอย่างไรแล้วเป็นรูปทำนามทำอย่างไรจนท้ายสุดเนี่ยเราจะรู้ว่าไอการกระทําอย่างเนีน้ก็จะชื่นชมเรากี่วันหรือว่าจะนินงทาเราสักกี่วันเป็นขึ้นกระทบฝั่งมันจะหายไปเมื่อไหอไร่ลักษณะอารมณ์แบบเนี้ยถ้าเราไปเกี่ยวข้องมันจะติดตัวอะไรอีกนานเท่าไหร่ ทางกายทางวาจาทางจิตใจการกระทําทางกายดีไปสวรรค์กี่วันกี่เดือนกี่ปีหลวงพ่ อ, พอเตียนพูดอไว้ชัดหรือว่าเวลาเราทําไม่ดีคนจะนินทาเราลงนรกนะแต่คนไม่มีความรู้สึกตัวเหมือนกับทิ่มแทงมากเลยเสียแทงมากเลยอันนี้เราจะถอนรหัสได้เลยนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีเรื่องนี้ยังจะหายไปเออเฉยๆหยุดหยุดเย็นๆไม่ต้องไปโต้อตอบเดี๋ยวมันหายไปแน่นอนเป็นคลื่นกระทบฝั่ง เดี๋ยวนเขาเงียไปเองมันเหนื่อ ย, อยนะแล้วแม่งก็จะแพ้พ่ายตัวเองไปเองยเราจะได้เห็นชาติเลยเลยที่ไม่ต้องไปทําอะไรหรอกแล้วก็ป ก, กติเราไปตามธรรมชาติธรรมดาก็แล้วเพราะเรารู้เราอย่างเงี้ยมันก็จะไปได้เห็นนะถ้าทําครบวงจรเลยทางกายวาจาใจมันจะเป็นอย่างไรเป็นต้นเราจะเข้าใจเรื่องของสมถาวิปัสนาในชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดเลยธรรมายังไม่เคยได้ยินใครพูดแท้ธรรมาฟังนะแล้วก็โยมเคยได้ยินหรือเปล่า กขามาจะพูดให้ฟังว่าสมถฐากรรมฐานที่องค์สมเด็จจำเหมาเจ้าเนคะยปฏิบัติตั้งแต่ตอนเป็นเจ้าชายสิธาเป็นเด็กชายสิธาตอนเจ็ดขวบเอามาถอนละหัสว่าทำไมพระเจ้าสุโธทนะถึงไปกราบเจ้าชายสิธาวันจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งตอนนั้นอายุเจ็ดขวบนะในเนื้อหาก็บอกว่า เจ้าชายสุทธฐานน่นั่งอยู่ใต้ต้นว่าในวันจรดปนังคันแรกนาขวัญต้นว่าคือมันมีว่าเล็กว่าใหญ่อ่ะไงแต่ในนั้นไม่ได้บอกว่าเล็กว่าใหญ่ลูกว่าลูกดำดากินแล้วปากสีม่วงม่วงเสร็จแล้วก็ไปนั่งจนนั่งทุกคนอารย์ใจว่าทําไมนั่งนิ่งก็บอกว่าพระเจ้าสุธโรธนะไปเห็นเงาต้นว่า มันยังทับอยู่ที่ตัวของเด็กชายสิท ธ, ธัตถะอย่างน้นะก็เกิดอัจฉริยะใจก็เลยกราบครั้งที่สองในชีวิตครั้งแรกกราบตอนที่นะอารามกนาเ อ, าอัญญากดอัญญะพรามในะทำนายเอาไว้ว่าเด็กคนนี้จะได้เป็นสอสดาเอกของโลกนะอย่าง้นอันนี้นกราบครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองก็คือน่แหละลมเงาของต้นว่า มันทาตัวของเด็กชายสิทธะเรามามานึกดูตามวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อ่ะคงมีความอัศจรรย์ระดับนั้นนะอันมาคิดเลยเอามาเทียงในใจนะแต่เป็นไปได้ว่าเจ้าชายศิทะเนี่ยเข้าสมาบัติตอนนั้นได้อุปจาระสมาธิก็คือสมาธิระดับทิมเป็นละษนณะของการเห็นความจริงของชีวิตนะจะแล้วเห็น มันไม่ได้พัฒนาไปเป็นแล้วนะของนะอะปามานาสมาธนะิซึ่งเป็นสมาธิที่ดิ่งตั้งมั่นนะตอนนั้นได้แค่กลางๆ ก, นะก็คือเลยคณนะิก า, กกาสมาธิมาส่วนการเคลื่อนไหวของเรานะเรียกว่าลักษณะนะอนันตะ น, ะอนอกอนันต์อนันต์อนันต์อนันติกาสมาธินะเป็นลักษณะของการทําให้ต่อเนื่อง ซึ่งมันจะต้องมีคณิกาสมาธิเกิดขึ้นมาก่อนภาษาฟังยากๆอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเกิดอุปจารสมาธิจะเย็นในสมาธิจะมีความเย็นอยู่สังเกตเวลาเราปฏิบัติธรรมนี่ยนะมันจะมีตัวปิติเกิดขึ้นไหมเสร็จแล้วมันจะเริ่มมีความเย็นพอปิติเกิดอาจจะเย็นว้าบเลยนะในตัวเราเนะี่ยยิ่งเกิดแล้วนะของกายโลตาจิตตาโลตาปะะทัทติเกิดขึ้นมาสงบกายสงบใจ ย, ยิ่งเย็นนะ แต่ว่าไม่ได้ให้ติดความเย็นตรงนะั้นก็แสดงว่าความเย็นทําให้นั่งกลางแดดได้แดดซองแดดมันก็ซองมาแล้วทั้งที่ตะวันตกซองทาบตัวเด็กชายศรีษะแต่ว่าความเย็นภายในคือท่านกําลังเสพพิติอยู่ทำไมาเห็นจุดนี้ว่ามันไม่ใช่หรอกว่าเงาต้นว่ามาประทับอยู่ที่เจ้าชายเป็นความเรียกว่าพิสดาร มาบอกมันต้องเป็นเหลาวิศาสตร์ในเหลาปฏิบัติธรรมนะเป็นพุทธวิยาศาสตร์มันไม่ใช่พุทธศยศาสตร์ที่พิสูจน์กันไม่ได้บางทีพระก็ชอบเอาศยศาสตร์มาเล่นกันให้คนโง่หลงงมไงเช่นบางทีก็ต้มน้ำมันเดือดๆอย่างนี้ยอมามาดูแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกน้ํามันเดือดๆเอามือไปจุ้งจริงๆมันก็ไม่ใช่เลือดหรอกจริงๆมันแค่เย็นๆนั่นแหละเพราะว่าตามเหล่าวิชาเนี่ยถ้าเรานะ รู้เรื่องของน้ำมันกับน้ำดีๆน้ำมันอยู่ข้างบนไฟเวลาก่อขึ้นไปเนี่ยไฟมันล้นเหล็กเนี่น้ำมาเจอกับเหล็กเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่ในแง่ของถ้ามีน้ำมันขึ้นมาในเบื้องต้นเนี่ยฟองมันก็จะขึ้นแล้วนะเหมือนเดือดเลยปุดบปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊เมื่อต้มกันลองลงไปนั่งแช่ยังไงมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกไม่เชื่อพรุงนี้ทดลองได้เลยนในครัวเนี่ยเอาหลักการเนี่ยไปทดลองเอาน้ำใส่ไปแล้วน้ำมันะ แล้วลองให้ฟองมันขึ้นแล้วลองนี้ไปจุ่มดูนะถ้ามือพองก็มังกรที่ธรรมากัแล้วกันไปรักษาเพราะฉนั้นะเป็นพุท ธ, ธวิยาศาสตร์ทีเราพิสูจน์ดได้นะผีคืออะไรอย่างเงี้ยมันพิสูจน์ได้มันเห็นแล้วอ๋อผีคือแล้วไหนอย่างเงี้คลุมหน้าคลุมตาหลบไปที่มืด่นะเดินเร็วว่องไวเมันไม่ได้เดินบนดินไปไหนก็วูบว่าไปอันะนะี้มันมีจริงๆในโลกใบนี้นะะนัไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วเป็นผีหรือไม่หรือว่าไปไหน อันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึ่งมันอาจจะมีแต่ชีวิตนี้มันสบัดได้ว่ามีก็แนนนอนตายมันก็มีนั่นแหละเแต่ถ้าตอนนี้สัมผัสไม่ได้ว่ามีมีบุญบาปไม่มีตายมันก็คงไม่มีหรอกเหมือนกับหลายๆลัที่หลายความเชื่ออย่างนี้แต่ของเราเมื่อเราเชื่อมันก็ต้องมีเรามีความเชื่อมีความศรัทธาเชื่อผีก็มีผีนั่นแหละเชื่อมีเทวดาก็มีเทวดานั่นแหละ แต่เราเปรียบเทียบสิ่งนี้เป็นหลักของวิทยาศาสตร์ก็คือใจของเรานี่เองเราเห็น้เรามันร้อนรุ่มงงขึ้นมามันร้อนล้นขึ้นมามันคืออะไรอย่างนีน้เรียกว่าสัตว์นรกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะใจร้อนงดกิจเวลาอยากขึ้นมาเวลาโลภมากขึ้นมานั่นก็เรียกว่าเปลนหรือเปล่ามันก็คือมนุษย์สเปโต ท, ที่เขาเปรียบเทียบกันนะมนุษย์เดรฉานโนหน้ล่างเป็นมนุษย์ ใ, ใจนี่เป็นสัตว์เดรชาคืออากาติตลอดขัดแย้งตลอดหรือเปล่าถึงดีก็ไม่เอาอย่างเงี้ยะ คนนี้เราไม่เชื่อเราไม่ชอบอย่าเงี้ยครับพูดอะไรเราก็ไม่ฟังเนะหรูอฟังเหมือนกันจะทายสุดก็คือทายสุดนั่นะละหมดฤทธิ์หมดเดชหมดประโยชน์นั่นนะอย่างเนี้ยนะเทวดาเป็นไงอา้าวให้ก็ไว้เทก็ไว้ให้ก็ชื่นชมเราว่าดีเงี้ยแล้วก็เป็นจิตของเราเนี่ยแหะที่บางทีเราก็คิดดีพูดดีออกมาเงี้ยนะเป็นจิตที่พร้อมให้ให้สัตวสัตว์สิ่งก้อนหินเม็ดดินเม็ดทรายให้ไม่ประมาณนั้นเป็นพรหมไปเลย ให้เล็กๆน้อยให้ทุกอย่างใครต้องการอะไรเดือดรเนื้อร่อนใจแล้วก็ให้บางทีก็เริ่มมีปัญญาขึ้นมาบ้างก็คือให้น่าเป็นความยืติธรรให้เพื่อที่เขาจะได้พึ่งตัวเองได้ให้เพื่อเขาจะได้ไม่อ่อนแอให้เพื่อที่เขาจะได้เดินทางสู่การพ้นทุกข์ช่วยเหลือตัวเองได้อัตติฮินโนนาโธทั้งภาพปฏิบัติการเรียกว่าฝึกกรรมฐานก็เหมือนกัน เราก็จึงต้องเรียกว่าเดินทางสู่ความเป็นพรมเป็นพระกันในเรื่องความรู้สึกตัวในหลังจะพาไปเราได้เห็นพบภูมิภายในจิตใจของเรานการคิดการพูดการทําเป็นกรรมหรือว่าเป็นธรรมชาติอย่างไรตลอดวไปมันก็จึงเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆสําหรับหนึ่งชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นอย่างเราเราแล้วก็มีภาษาระสาทนะ มีคําชี้คําบอกแล้วก็พาการปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาลลัดสั้นๆจนทั้งหลวงปูเทียนะท่านบอกว่าเป็นสูตรสําเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งเป็นภาษาของท่านที่ฟังแล้วเหมือนกับว่าท่านอาหานที่จะแสดงออกมาให้โลกท่าตสันสะเทือนไปเลยแต่พอบางคนฟังแล้วรู้สึกยีนะ่เหมือนกับองสมเด็สจสามเณรเจ้าเหมือนกันขณะที่รู้ธทำใหม่ๆนะเดินทางไปก็ไปเจอน เจอแล้วนะของปริพาชกนะปริพาชกก็ถามว่าโอ้โหท่านทำไมท่านดูนะเรียบร้อยดูแล้วก็สง่างามดูแล้วสงบนะดูแล้วเย็นนะท่านรู้ทำอันใดใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะพระองค์ ก, ก็เลยตอบว่าดูก่อนนะเราคือสยมภูอย่างนะี้นะตัชอบได้โดยพระองค์เอง เราเนะี่ยคือสยมโูคือสักยคโคดนะเนี่ยพระเจ้านี่สักยคโคดเสร็จแล้วเราคือสยมภูเนี่ยก็เป็นลักษณะของอยู่ในแวดวงของกษัตริย์นะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ทำนักตัดสู้ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยแหละเี้ยผลิภาชกก็ใส่หัวแล้วก็ถมน้ํำลายใส่แล้วก็เดินหลบหนีไปเนี่ยอันนี้เราก็ดูแล้วโอ้ ทันที่จะได้ฟังทำแล้วรู้ทะท้ายสุดก็เหมือนกับว่าไก่เกือกิดด่างหรือว่าเป็นไก่ได้พลอยเห็นพลอยแล้วรู้จักคุณค่าของมันทั้งความรู้สึกตัวเปรียบเทียบเมือ น, นันนี้ละว่ามันเป็นเลาหนาของธรรมที่เปรียบเหมือนเพชรแห่งธรรมในความรู้สึกตัวมันมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้เหมือนกับว่าะ ท่องแล้วก็ดูแล้วก็เฟ้นเลือกเอามาประดับเป็นคุณธรรมต่างๆแล้วก็หยิบใช้ใช้เสร็จแวางได้อย่างเหมาะสมต่อไปนี่มันก็เกิดจากความรู้เนื้อรู้ตัวซึ่งเรามีการฝึกการหัดกันตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ตามมันก็เป็นสิ่งเดียวกันเห็นกายเคลื่อนไหวมันก็ต้องเห็นจิตใจของเราเวลามันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเ่อเราเห็นกายเคลื่อนไหวก็ต้องเห็นอารมณ์ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นตามธรรมาชาติที่มันมีอยู่ในชีวิตจริงๆของเราอันนี้เราเลี่ยงไปพ้นแต่ว่าความรู้สึกตัวมันจะพาให้เราเหมือนกับว่าอยู่คนมิติกันมิติของโลกิยะกับมิติของโลกุตระความรู้สึกตัวมอยู่ในมิติของโลกุตระแต่ว่าเรื่องหน้ของกรรมดีกรรมชั่วอันนี้มันอยู่ในลรื่องหน้ของโลกิยะก็คือเรื่องหน้ของโลกมนุษย์มันมีโลกิยะ มีสุขมีทุกข์มีสุขให้เราได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วก็ผ่านมีทุกข์อันนี้สำคัญมันก็มาให้เราได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วก็ผ่านหรือว่าการเห็นทุกข์ในอันนี้สําคัญที่สุดความหนาวตอนนี้ไม่มีมีแต่ความร้อนที่มันลดลงความทุกข์ก็เหมือนกันมันลดลงเท่าไหร่มันก็กลายเป็นความสุขมาเท่านั้นแต่มันไม่ใช่สุขที่เราได้จากความพอใจ เป็นลนักษณะของวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามอันนั้นเป็นลนักษณะของความสุขแบบโลกโลกแต่ว่าเราใช้เป็นความสะดวกใช้ด้วยปัญญาอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดอะไรจะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองมีทรัพย์อันนี้ไม่ผิดอะไรเพราะว่ามันได้มาจากความขยันกันแข็งของเราเราก็อยู่อย่างในโลกนี้อย่างพึ่งตัวเองได้ดกนันก็คือจิตใจของเรา มันเป็นลักษณะของอยายะซับภายในที่นะเราก็สร้างสรรค์เรียกว่าปฏิปตอ่อกันประกอบกันขึ้นมาจนถึงเป็นเกอบเป็นกรำร ม, มันมีพลังพอสมควรแล้วจนถึนมันพอใช้พึ่งได้จริงจริเราเห็นแล้วว่าเออชีวิตของเราเราก็พึ่งตัวเองได้ทั้งภายนอกและภายในภายนอกะโล ก, กไม่ช้ำภายในทําเราก็ไม่เสียมันมีมันดีวันดีขึ้นยังเกิดอาการเรียก ว, ว่าหายสงสัยในชีวิต เราตั้งรู้แล้วว่าเออมันมีแต่อิสระภาพในการใช้ชีวิตดํำรงชีวิตในโลกใบ น, นี้อย่างเป็นเจ้าของเราอยู่โดยที่ไม่ต้องเป็นทาสไม่ต้องเป็นนี่เราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการชดใช้อะไรมากมายเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่แล้วน่ะแหละมันคือธรรมชาติในความรู้สึกตัวการเดินจงกรมการจะทําอะไรแล้วก็มีสติสัมผัสลงไปนะ ใส่สติลงไปใส่ความรู้สึกตัวลงไปนะเป็นสติประทานที่เป็นคอเกียร์อยู่ตลอดเวล า, ลานะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์เป็นพระนะเรามาบวชกันประวัติศาสว่างดเว้นงดเว้นจากความชั่วนะแต่ถ้าเราไม่ได้งดเว้นเราเป็นเพียงแค่พิสูจนะ์พิสูจน์คือผู้ขออย่างนี้นะแต่พอเราเปลี่ยนแล้วนะจากนักเรียนในเครื่องแบบเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะก็คือเป็นพระตัวจริงนะ พระพรยาม่อมหม่อมเจ้าตามสมมติเนี่เป็นแล้วนะของชื่อเรียกมาจากกษัตริย์พระพระยาม่อมหม่อมเจ้าพระเราก็ช่วยกษัตริย์นั่นแหละเรียกว่าให้ประชาชนตัวตัวไปเขาจิตใจไม่มีความทุกข์กษัตริย์ก็ปกครองบริหารให้วัตถุปัจจัยสียอาหารการกินให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขพระก็ช่วยให้สุขกใจกษัตริย์ก็ช่วยให้สุข ขอไปพระก็ช่วยให้สุขจิตสุขใจนะครัตรัต์ก็ช่วยให้สุขกายอย่างนี้เลยไปด้วยกันจนทางบางทีกษัตริย์ก็เห็นคุณค่าของพระก็เอาพัดยศมาให้เนี้ยคำว่าพระภรรยาห ม, ม่อมหม่อมเจ้าอนะอันนี้เราก็เป็นเราแวดวงของกษัตริย์พระมหากษัตริย์นะั้นนั่นนะมันก็มีแต่ในประเทศไทยส่วนภาษาบาลีมันไม่มีคำว่าพระมีแต่พิสุ แล้วถ้รประพฤติพรหมจรรย์ดีๆมันก็เป็นสมณะนะเป็นลักษณะของอผู้ที่รู้ธรรมกันใดกันหนึ่งก็เป็นสองขึ้นมาสี่ลูกขึ้นไปอยู่ร่วมกันสองพระสองนี่ก็หมายถึงว่าผู้ที่รู้ธรรมะเป็นภรรยะสี่ลูกขึ้นไปสี่ลูกขึ้นไปเป็นภรยรยาเรียกว่าพระสอง แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นลักษณะของพระยศระดับใดระดับหนึ่งไม่รู้สภาวะนะก็เป็นแค่ภิกษุ ส, สงฆ์ภนะิกษุเป็นสมบติสงฆ์อย่างนี้นะนะเราก็พัฒนาตัวเองกันไปญาติโยมก็เป็นนักเรียนอนอกเครื่องแบบพระสงฆ์ก็เป็นนักเรียนในเครื่องแบบแต่วิชาที่เรารู้คือวิชาเดียวกันนะก็คือวิชานะสัพพถาวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นวิชาที่จะพาเราพ้นทุกข์นะนะ อันนี้ก็เห็นว่าพูดมาประมาณ4ี่สนาทีเห็นว่าสมควรก่เวลาเราก็กราบพระเพิ่มกัน